คุณผู้ฟังคะคนทำอะไรให้กับผีที่นอนอยู่ในโลงศพคนในเมืองกับชนบททาศพคนตายแตกต่างกันไหมในเมืองที่มีความเจริญแล้วที่มีวัดจะมีเมนเผาศพแต่ว่าในชนบทจะไม่มีเมนเผาศพต้องเผาแบบธรรมชาติคือเอาไม้มาสมมากองเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟเผ า, เ า, เากลางแปลงแล้วก็เผาช่วงกลางวันแสก คนเป็นคือคนที่ยังไม่ตายทางญาติพี่น้องและเพื่อนๆในหมู่บ้านก็ยืนดูเห็นกันจะจะนะคะว่าไฟกำลังไหม้ร่างของศพคนตายแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูและอุจจารตตาแต่ก็จําเป็นการทํากับคนตายในชนบทมีอยู่สองอย่างคือการเผาทำลายซากศพและฝังให้เป็นดินเป็นปุ๋ยของต้นไม้ใบหญ้าค่ะ คนในชนบทเขาจะถือกันนะคะ่ะว่าถ้าคนตายแบบตายเจ็บตายไข้ธรรมดาก็จะเผาแต่ถ้าตายหงตายหา่าก็คือตายไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นตายแบบฟ้าผ่าโดนยิงตายผูกคอตายหรือตายเพราะควายขิดช้างกระทืบตายทั้งกลมออกลูกตายหรือว่าตายด้วยอุบัติเหตุ พวกที่ตายแบบนี้จะฝังนะคะเพื่อที่จะเอาดินกลบอย่างเดียวทิ้งไว้หลายปีค่ะค่อยขุดเอามาทำพิธีเผาส่งวิญญาณขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็แล้วแต่กรรมเวรที่กระทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตนะคะ ที่ห้ามฝังในป่าช้าคนตายธรรมดาด้วยก็เพราะว่าเขาเชื่อกันนะคะว่าพวกตายหหงพวกนี้วิญญาณมันแรงแล้วก็อาฆาตอีกด้วยขืนให้อยู่รวมกับคนตายตามธรรมชาติก็จะไปสร้างความวุ่นวายกับดวงวิญญาณอื่นๆจนป่าช้าแตกแล้วจะยุ่ง่ะนะคะ คนในเมืองไม่ว่าจะตายแบบไหนทั้งตายเจ็บตายไขย้ธรรมดาแก่ตายถูกยิงถูกฆ่าตายโหงสับประเวทําพิธีไม่แตกต่างกันค่ะแล้วก็ยังเผาในเตาเผ า, าเดียวกันวัดก็วัดเดียวกันได้วัดในเมืองนะคะที่มีเมนเผาศพจึงมีสารพัดผีสารพัดวิญญาณทั้งตายเจ็บตายไขย้แก่ตายก็เผาเตานี้ตายโหงรถชนฆ่าตัวตายกระโดดน้ําตายก็เผาเมนนี้นะคะคนจนคนรวยก็ใช้เตาเผาเมนเดียวกันนี้ ถ้าผีมีจริงอย่างในพระพุทธศาสนาได้บันทึกไว้ที่วัดก็คงจะมีแต่ผีนะคะเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดไม่ว่าจะบนศารลาศหรือบนกุฏิพระพวกเขาก็คงเดินทักคนนูน้นทักคนนี้ที่รู้จักหรือไม่ก็เดินไปส่งที่รถจนวุ่นไปหมดดีที่เรามองไม่เห็นพวกเขาค่ะไม่งั้นยุ่งแน่เลยนะคะที่กล่าวมานี้เป็นในเมืองที่มีความเจริญแล้วคนตายในเมืองก็จะนําศพไปไว้ที่วัดนะคะเพื่อทําพิธีทางาศาสนา ต่างกับคนบ้านนอกหรือว่าต่างจังหวัดนะคะศพเขาก็จะเอาไว้ทำพิธีที่บ้านจะกี่วันก็ตามขึ้นอยู่กับฐานะของคนตายพระจะได้รับนิมนต์ไปสวดที่บ้านคนตายทุกคืนค่ะ ก่อนจะนำศพไปเผาที่ป่าช้าของหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตรก็จะมีพิธีอีกนะคะคือพวกญาติญาติหรือว่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่คนตายให้ความเคารพนับถือจะหาที่เผาในป่าช้าก่อนนั่นก็คือเอาไข่ไก่ใบนึงค่ะพอเข้าไปในเขตของป่าช้าแล้วก็จะหยิบไข่ไก่ออกมาจากย่ามจากนั้นก็จะถามวิญญาณของคนตายว่าไอ้นั่นหรืออีนี่ว่าชอบที่ตรงนี้ไหม ถ้าชอบขอให้ไข่แตกถ้าไม่ชอบก็ขอให้อย่าแตกพอถามเรียบร้อยแล้วก็โยนไข่ไปยังจุดดังกล่าวนะคะเป็นไข่ดิบนะคะถ้าไม่แตกก็แสดงว่าวิญญาณของคนตายเนี่ยไม่ชอบที่ตรงนี้ก็ต้องโยนไข่ถามไปเรื่อยๆจนกว่าไข่จะแตกนะคะก็แสดงว่าคนตายต้องการที่ตรงนั้น จากนั้นก็จะเอามีดแล้วก็จอบเสียมช่วยกันตัดต้นไม้หรือวัชพืชแถวนั้นออกเป็นบริเวณกว้างพอที่จะทําเป็นที่เผาศพได้ค่ะแล้วก็ช่วยกันตัดไม้ที่เป็นเชื้อไฟมากองรวมกันเป็นกองใหญ่ๆซึ่งเขาเรียกว่ากองฟอนเมื่อถึงเวลาก็จะเผาก็ช่วยกันหามศพลงจากบ้านคนตายโดยมีพระจูงศพนําหน้าไปป่าช้า คนจนใช้หามถ้าคนมีฐานะก็ใช้เกวียนค่ะรถยนต์บรรทุกศพไปป่าช้านะคะตลอดทางก็จะเปิดดนตรีเพลงที่ฟังแล้วทาให้เราพลอยโศกเศร้าไปด้วยนั่นคือธรณีกันแสงนะคะก่อนจะเผาเขาก็จะยกลงศพขึ้นไปกองบนไม้ที่เตรียมไว้แล้วจากนั้นก็จะเปิดฝาลงศพออกเพื่อให้ญาติได้ดูหน้าคนตายเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็จะผ่าเอาน้ำมะพร้าวอ่อนเทรางหน้าศพเป็นอันเสร็จพิธี คุณผู้ฟังคะที่นิยมเอาน้ำมะพร้าวอ่อนล้างหน้าศพเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอุบายหรือว่าเจตนาสื่อความหมายถึงอะไรแต่ถ้าจะให้เดาแบบงงูปลาปลาก็ต้องพูดว่าน้มามะพร้าวเป็นน้ําที่บริสุทธิ์สะอาดค่ะจึงต้องนําไปล้างหน้าศพเพื่อความสะอาดของจิตวิญญาณและร่างกายของผู้ตายจะได้สะอาดหมดจดก่อนจะขึ้นสู่สวงสวรรค์นะคะก็เชื่อแบบนี้ค่ะสําหรับผู้เล่าเองนะคะและถามว่าทําไมถึงรดน้ําศพ เคยไปงานศพมาแล้วหลายครั้งหลายหนนะฮะส่วนมากจะไปฟังพระสวดพระอภิธรรมตอนทุ่มหนึ่งเป็นส่วนมากแต่ว่าที่ไปรถน้าศพก็มีบ้างสำหรับคนตายที่คุ้นเคยนะคะก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเขามีพิธีรถน้ำศพอยากถามผู้รู้เหมือนกันว่ามันมีความสำคัญอย่างไรไม่รถไม่ได้หรือนะคะหรือว่าเราจําเป็นต้องรถ แต่ว่าอยากจะถามก็ไม่รู้ว่าจะถามใครเหมือนกันนะคะแล้วจะถามไปเพื่ออะไรเกิดคนที่เราถามนั้นย้อนมาว่าจะรู้ไปทำไมถามไปเพื่ออะไรผู้ใหญ่เขาก็พากันทำๆไปเถอะทำไ ป, ำไปอย่าอยากรู้อะไรอย่างนี้นะคะก็แย่เลยเนาะไม่ได้คำตอบถามยังโดนตำหนิอีกนะคะ แต่ที่นําเรื่องราวพิธีรดน้ำศพมาเล่าให้ฟังค่ะมีความสําคัญอย่างไรก็บังเอิญอีกค่ะได้อ่านจากหนังสือเล่มหนึ่งเป็นวารสารกัลายาโนของวัดสวนแก้วนนทบุรีในคอลัมน์พิจารณามรณานุสตินะคะซึ่งเขียนโดยพระอาจารย์เพิ่มพาสุโรค่ะอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเออสมเหตุสมผลดีน่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆก็ไม่รู้นะฮะว่าคุณผู้ฟังทั้งหลายจะมีความเห็นแบบเดียวกันกับผู้เล่าหรือเปล่านะคะ พระคุณท่านเขียนบันทึกไว้ว่ามือที่ขาวซีดของคนตายแบรรับน้ำศพพร้อมกับมีเสียงของผู้กำลังรินน้ำลงบนฝ่ามือที่แบรรับอยู่นั้นกล่าวออกมาเบาๆพอได้ยินสำหรับผู้อยู่ใกล้ว่าขอให้ไปสู่ที่ชอบอันเป็นที่สุขคติเถอะนะ บางคนค่ะก็เพียงคิดในใจทำปากบุบมิบบุบมิบเฉยๆก็มีก็คงพูดในทรรนองเดียวกันคือขอให้ปีดีไปสู่สุขติภพนะคะก็พูดคนแล้วคนเล่าค่ะร่างที่ไร้วิญญาณก็แบมือรับน้ําแล้วก็รับพรนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งสงบแน่นิ่งไม่ไหวติ่งวางอยู่ในท่าไหนก็อยู่ในท่านั้นไม่มีบ่นว่าปวดเมื่อยสักคํานะคะ ถ้ารู้จักสังเกตนะคะจะเห็นว่าผู้ตายที่แบมือรับน้ําอยู่นั้นกําลังจะบอกอะไรบางอย่างให้กับผู้ที่กําลังรดน้ำทราบแต่ว่าจะมีใครบ้างพอที่จะเข้าใจถึงความหมายที่ศพแสดงให้เห็นตอนนี้ว่าดูสิเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่สิ่งเดียวเห็นไหมที่ฝ่ามือฝ่ามือนี้แหละนะคะที่เพียรพยายามฉวยโอกา ส, สแสวงหาทรัพย์ต่างๆนานาควายคว้าทุกสิ่งทุกอย่างมาครอบครองเมื่อสมัยเรายังมีชีวิต ทรัพย์ทุกสิ่งต้องเป็นของเราแต่ว่ามาบัดนี้ค่ะเราไม่เหลืออะไรเลยเห็นไหมทุกอย่างเป็นของธรรมชาติมีอยู่ประจำโลกได้ให้ใช้อาศัยเท่านั้นเห็นไหมในที่สุดไม่มีใครเป็นของใครตายแล้วไปไหนนะคะบางคนบางจำพวกค่ะพูดว่าตายแล้วก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นดินเป็นปุ๋ยไปกับอีกคนบางกลุ่มค่ะก็จะเถียงจนคอเป็นเอ็นค่ะว่าตายแล้วก็ไปนรกไปสวรรค์ คงไม่มีใครนะคะรู้ล่วงหน้าเลยวว่าตายแล้วตัวเองจะไปไหน ร่างหรือว่าศพนั้นเป็นปุ๋ยเป็นดินแน่นอนค่ะอันนี้คือรู้แต่ว่าวิญญาณที่ออกจากร่างนั้นสิคะไปไหนด้วยเหตุของความไม่รู้ล่วงหน้าก่อนตายก็เลยทําให้ทุกคนต่างก็กลัวความตายค่ะเพราะว่าความตายคือภัยมหันต์ที่ใหญ่หลวงนักแล้วก็ต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจากบ้านที่เราอยู่จากญาติพี่น้องที่เคยอยู่อาศัยกันมานี่คือความเข้าใจของเราผู้โง่เขลาเบาปัญญาเป็นอย่างนั้น ดังพุทธสุภาษิตกล่าวนะคะว่าสัพเพวะนิกางขิปิสัตสันติภูตาโลกะเกสมัตใส ย, ยังสัตว์ทั้งปวงจักทิ้งร่างไว้ในโลกก็เป็นธรรมดานะคะนี่คือที่มาของพุทธศาสนสุภาษิตเตือนให้รู้ว่ามันเป็นธรรมดาเราท่านทั้งหลายไม่มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดค่ะเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้น เมื่อถึงคราวเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกหลานทรัพย์สรึงคานบ้านเรือนต่างๆนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้คือต่อให้ใหญ่โตมโหฬารทุกชนิดนะคะหมดสิทธิ์เป็นของเราแน่นอนท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทมัวเมาลุ่มหลงใครจะรู้ได้นะคะว่าพรุ่งนี้ความตายจะมาถึงเราก็ไม่รู้อีกนะคะ พระท่านบอกว่าทุกคนล้วนเป็นนักโทษประหารกันทั้งนั้นค่ะรอเพียงวันตัดสินจากธรรมชาติการตัดสินโทษประหารนั้นเราไม่อาจจะรู้ได้โดนสั่งประหารวันเวลาไหนนะคะเพราะว่าความตายไม่เคยเห็นแก่หน้าใครแม้แต่คําอ้อนวอนของใครทั้งนั้นคนคนนั้นจะเป็นใครจะร่ารวยด้วยยศถาบรรดาศักดิ์จะอายุมากหรืออายุน้อยเพียงใดความตายไม่เคยเลือกแล้วก็เรียกว่าทุกคนนะคะย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างเฉียบขาดแน่นอน การพลัดพรากจากกันด้วยความตายค่ะมันเป็นการพลัดพรากชั่วนิดนิรันด์ย่อมเป็นทุกข์มากสำหรับผู้ที่อยู่ข้างหลังเพราะอะไรนั่นหละคะเพราะว่าไม่ได้คิดพิจารณ า, านั่นเองเพราะว่ามัวหลงประมาทเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆตามกฎความเกิดขึ้นเพราะอาศัยกันเกิดนะคะท่านใดมีรัก1ก็มีทุกข์1ค่ะท่านใดมีรัก2ก็มีทุกข์สองหรือท่านใดมีรักร้อยก็มีทุกข์ร้อย ในที่นี้หมายความว่าไม่เฉพาะคนแต่ว่าหมายถึงรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ยึดมั่นสำคัญมั่นหรือว่าในภาษาบาลีนะคะเรียกว่ารักด้วยอุปท า, านคนที่ไม่มีรักเลยก็ไม่มีทุกเลยนั่นก็คือพระอรหันต์นะคะนี่เป็นพุทธภาษีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความจริงค่ะไม่แปรเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยเมื่อผูกจิตพันกับสิ่งใดนะคะก็ไม่พ้นทุกถ้าสูญเสียคนรักไป ถ้าช่วงเวลานั้นหากทุกคนคิดได้อย่างมีสติว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันแม้แต่ตัวเองแล้วก็คนอื่นๆทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ถ้าคิดได้เช่นนี้ค่ะก็ทำใจได้ในระดับหนึ่งแล้วจะคิดได้ว่าการเศร้าโศกร่ำลาอะไรร้องไห้อาวร์ไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะต้องทำใจว่าโลกใบนี้มันก็เป็นแบบนี้ แล้วถ้ามีคําถามมาถามว่าเคาะลงศพทําไมคุณไปงานศพเคยเห็นคนที่ไปในงานเคาะลงศพ บ, บ้างไหมตัวของผู้เล่าเองเคยเคยเห็นนะคะส่วนมากจะเป็นพวกญาติของคนตายตอนที่เอาข้าวปลาอาหารใส่ถาดไปวางข้างลงศพแล้วก็เคาะลงเรียกให้ออกมากินข้าวเพื่อนในที่ทํางานเดียวกันกับคนตายค่ะบางคนพอไปถึงงานศพก็รีบเข้าไปเคาะลงศพพร้อมกับบอกกล่าวทํานองว่าได้มาร่วมงานแล้วหรือมาถึงแล้วนะ อ่านี่ก็จะเป็นงานศพคนในเมืองนะคะต่างจังหวัดก็ทําเหมือนกั น, นะคะ่ะในชนบทที่อยู่ไกลความเจริญก็ทําเช่นกันคนที่นอนตายเป็นซากศพอยู่ในโรงเขาจะรับรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะแต่เมื่อทําแล้วสบายใจก็ทําไม่มีใครห้ามไม่ให้ทําตามที่พระอาจารย์เพิ่มภาสุรุท่านได้บันทึกไว้เกี่ยวกับการเคาะลงศพดังนี้นะคะท่านบอกว่ามีงานศพที่ไหนที่นั่นก็จะมีการเคาะลงเสียงดังก๊อกๆนะคะแล้วก็พูดออกมาจากคนที่เค า, าะเบาๆว่ามารับศีล น, นะ มาทานข้าวนะออกมาฟังพระสวดนะถ้าจะว่าไปแล้วนะคะญาติโยมจะเรียกกี่ครั้งกี่คราไม่เคยเห็นศพใครจะลุกขึ้นมาแม้แต่รายเดียวค่ะไม่มีถ้าจะถามว่าเคาะเรียกทำไมการกระทำอย่างนี้เพื่ออะไรหรือทำตามประเพณีที่ทำตำตามกันมาโดยไม่เข้าใจหรืออย่างนั้น บางคนบอกนะคะว่าที่เคานะเน่เคาะเรียกประชดผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ได้ข้อคิดว่าถ้าจะทำบุญหรือรับศีลควรทำตอนที่ยังไม่ตายเพราะถ้าตายไปแล้วทำบุญหรือรับศีลมันไม่ได้ประมาณนั้น และอีกอย่างหนึ่งค่ะเสียงเคาะลงศพดังๆเนี่ยจะทำให้คนที่มันร่วมงานหยุดคุยกันเพื่อพร้อมจะรับศีลรับพรนะคะก็ถือว่าเป็นกุศโลบายของคนโบราณตั้งแต่สมัยบรรพบรุษมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะพวกญาติโยมเคยตั้งคำถามบ้างไหมคะว่าทำไมต้องจัดอาหารไปวางไว้ข้างๆลงศพแล้วเรียกผู้ตายที่นอนแข็งทื่ออยู่ในโลงออกมากินอาหาร มันก็เป็นอุบายค่ะเป็นวิธีที่เตือนคนที่มีชีวิตอยู่ให้เกิดความคิดว่าถ้าจะตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายแล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้กระทำซะตั้งแต่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าตายแล้วนะคะท่านจะรับประทานอะไรไม่ได้เลยนี่เห็นไหม คือสอนให้เลี้ยงแบบตอบแทนบุญคุณคนนะคะตอบแทนบุญคุณท่านก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเมื่อตายแล้วลุกขึ้นมากินไม่ได้หรอกนะคะท่านทั้งหลายที่ไปในงานศพไม่รู้ว่ามีใครเก็บไปคิดบ้างไหมเวลาที่นำอาหารคาวหวานล้วนจะเป็นของดีๆค่ะไปถวายพระที่วัดพระท่านเคยถามแบบนี้บ้างไหมโยมก่อนจะทาอาหารมาถวายพระที่วัดเนี่ยพระที่บ้านนะจัดอาหารให้หรื อ, อยัง แักๆก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าหลวงพี่พูดถึงอะไรพระที่บ้านมีที่ไหนจะมีก็แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเท่านั้นเม <ammonia> ื่อพระท่านเห็นว่างงๆกันท่านก็แย้มออกมาให้รู้ก็ถึงบ <g> างอ้อแล้วค <oluyor> ่ะคราวนี้ว่าพระที่ว่าเนี่ยก็คือ พ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังเรื่องนี้แล้วนะคะขอให้ได้ข้อคิดเตือนใจว่าถ้าจะบอกรักถ้าจะตอบแทนบุญคุณนะคะถ้าจะแสดงความกระตันยูต่างๆต่อผู้มีพระคุณของเราให้รีบทาตอนที่ ท่านยังมีลมหายใจตอนที่เราก็ยังมีลมหายใจด้วยนะคะส่วนทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆนานาหรือว่าความรักหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปยึดติดหรือว่าตั้งมั่นถือมั่นนั่นเป็นของเรานู่นเป็นของเราอะไรมากมายจนเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วเราเองทุกคนในโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ตัวของมนุษย์เท่านั้นแม้กระทั่งของสัตว์เดรัจฉานเช่นกันค่ะไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยนอกจากความดีแล้วก็ความชั่วเท่านั้นเองนะคะ